ส่งังที่เคารพคะ่ะปกติของรายการนี้นะคะเมื่อได้ปฏิบัติธรรมกันเสร็จได้ฟังพระสูตรเสร็จบางคนอาจจะยังลืมดำอยู่กับสมาธิก็มาฟังธรรมกันต่อนะคะแต่ว่าจะเป็นจากพระเพรบุญอภิปุโนวัดปดาดรดไฮโูอุดรธานีซึ่งท่านก็ยังให้สาระธรรมที่สำคัญคือเป็นเรื่องของประวัติพระพุทธเจ้าที่ตรัสเล่าเอาไว้เองที่เราเรียกกันว่าพุทธประวัติจากพระโอษฐ กับเรื่องของอริยสัจ4ี่ชั่วลาดที่เรียกว่าเปิดธทางที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนี้ค่ะน้มัสการกันท่านคะ่ะอาจาเจ์พานค่ะวันนี้หลวงพ่อด็อกเตอร์ยังนั่งเป็นกําลังใจให้ท่านอยู่ไหมคะใช่ใชดด่ดิฉันกําลังหมายถึงท่านหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดนะคะท่านเจ้าวาดวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีที่ท้าาจันไพรบูลนั้นได้อยู่ที่นั่นนะะ่ย น, นะคะกราบน้มัสการนนะคะหลวงพ่อคะ ส่วนส่วนใหญ่หลพ่อก็จะมาฟังด้วยในรายการเพราะว่าทาง FM106 เนี่ยจะไม่ได้มีโอกาสฟังที่อุดรมารับไม่ได้ใช่มเพราะนั้นถ้ามีการบันทึกเสียงที่อุดรเนี่ยโดยใช้เทคโนโลยีใดๆเนี่ยหลพ่อท่านก็จะมาฟังธรรมคือท่านชอบฟังธรรมอยู่แล้วโอสาธุค่ะโอ้นี่เดี๋ยวฉันต้องระมัดระวังมากขึ้นเลยนะคะนี่ค่ะท่านฝังที่ครค่ะ ไหนๆมาถึงตอนนี้แล้วดิวฉันคิดว่าเรามาฟังพุทธประวัติจากพระโอษฐ์จากท่านเพรบุญกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมากราบเรียนสนทนาท่านในเรื่องอื่นกันต่อนะค ะ, ะ, ะนิมนต์ท่านเลยค่ ะ, ะ, ะก็พูดถึงพุทธประวัติเนาะผู้เช่าก็ยืนยันว่าการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนี่พูดถึงเรื่องประวัติพุทธประวัตินะคือเรื่องเกี่ยวกับตัวพระองค์เองอก็ชักชวนให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยมาทําพรหมจรรย์นี้ให้มั่นคง นะคือการทํำพรมาจารย์ให้มั่นคงหรือไม่เนี่ยนะ อ, อยู่ที่การปฏิบัติของตัวพระแต่ละรูปนะโดยการปฏิบัติคือไม่เลิกลนะ้างจากการหลีกเล้นนะอยู่ใน้าเส้นอันสงัดเป็นเรือนว่างก็ตามเป็นคนไม้ก็ตามแล้วก็ไม่สะสมบริขารลักษณะนี้จะทําให้พระศิษธรรมเนี่ยตั้งอยู่ได้นานหรือว่ายังพูดถึงพรมจารย์การประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะบางคนปฏิบัติด้วยก็เพราะว่าล า, าบสการะอันนี้ยังไม่ใช่ นะหรือบางคนปฏิบัติเพื่อที่ต้องให้ได้ศีลฉันเป็นคนมีศีลอันนี้ก็ยังไม่ใช่นะบางคนปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบปเป็นสมาธิยังไม่สุดนะบางทีบางคนปฏิบัติให้เพื่อให้รู้เห็นตามที่เป็นจริงก็ยังไม่สุดนะถ้าเห็นแล้ววางได้นั่นถึงจะสุดอย่างนีนะ้ก็ชักชวนให้คนที่ปฏิบัตินี่ไม่ใช่เฉพาะพระนะยังพูดถึงคัสอุบาสิกาคารวาที่ปฏิบัติเนี่ยก็ปฏิบัติให้สุด เหมือนกันจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำรัชธรรมให้เจริญได้แล้วก็ยังพูดถึงการบรรพชาที่ไม่ไม่ต่ำสามนะไม่เป็นโมคะคือยังพูดถึงคนที่ปฏิบัติแล้วนะยังปฏิบัติเพื่อให้ได้เห็นตามที่เป็นจริงซึ่งอริยสัจทั้ง4ี่เนี่ยการบรรการบรรพชาของบุคคลผู้นั้นเนี่ยคือคว่าบางท่านเนี่ยนะลางานเจ็ดวัน10บวันไปปฏิกรินปฏิบัติ นะแต่ไปไปปฏิบัติปฏิบัติไม่เต็มที่นะไม่หลีกเล่นจริงไม่อะไรจริงก็จะยังชื่อว่าทำไม่เต็มที่แต่ถ้าทําเต็มที่ก็คือเจริญสติปัฏฐานสอิอธิบาทสี่โพชชง7อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าปฏิบัติจริง อ, อีกประการหนึ่งในเรื่องของพุทธประวัติก็คือพุทธเจ้าบอกว่าคําสอนพระองค์เนี่ยอสอนไว้อย่างครบถ้วนกระบวนความ นะไม่ได้มีการหมกเม็ดไว้กําไว้ไม่เปิดให้ดูเนี่ยไม่มีเลยเปิด<ะ>หมดทุกจุดทุกตอนสอนละเอียดที่สุดแล้วนะคือจากนั้นพระอ น, น, นุนเนี่ยมานิมนต์ให้พระพุจ่าเนี่ยสอนอีกนะสอนไปเ<ะ>รื่อยรุจ่าบอกโอ้ยอ น, น, นุนพิสุทสงฆ์ยังจะหวังอะไรในะเราอีกล่าเราเปิดหมดแล้วนะไม่มีกรรมมือในธรรมะไม่มีธรรมะในกรรมมืออ ค, <ะ>คือที่ยังไม่ได้เปิดให้ดูเนี่ไม่มีสอนหมดแล้วก็พูดถึง มีมีปริพาชคคนหนึ่งเขามากล่าวหาพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้ยสอนให้คนอื่นเนี่ยมาถวายทานแค่เฉพาะกับตัวเองกับสาวกของตัวเองเนะกีดการทานของการปฏิบัติรัตที่อื่นๆพระ พ, พุทธเจ้าก็มาแถลงการให้ฟังว่าจริงๆพระองค์เนี่ยสอนบอกว่าถึงแม้ว่าการให้ทานเนี่ยนะคือสมมุติเราล้างจานเนี่ยมีเศษอาหารเหลือตรงไหนเนี่ยเราเท ล, ลงในน้ําต้มอย่างเงี้ยเพื่อหวังว่า สัตว์อะไรที่มีอยู่ในชีวิตอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะได้กินเนี่ยนะอันนี้ก็ยังเป็นทางหม่งบุญ น, นะเชไหนเลยจะให้กับมนุษย์ด้วยกั น, น, นผู้ใดสอนผู้อื่นไม่ให้ทานนะชื่อว่าขุดรากตัวเองหมายว่าทําลายที่ดินเรือง อ, งอยู่ด้วยเพราะว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะดํารงชีวิตอยู่ก็ต้องพึ่งคนอื่นนะคือหมายความว่าต้องไปไปรับทานจากคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้าสอนให้คนอื่นไม่ให้เนี่ยชื่อว่าทําลายตัวเองด้วยขุดรากตัวเองพระพุทธเจ้าจะไม่สอนอย่างนั้น แลวที่พระเจ้าสอนจะคืออะไรสอนให้คนให้ให้แล้วไงอธิบายอันนิสงของการให้ว่าได้อั น, นิสงมากน้อยไม่เท่ากันอย่างนี้ได้อั น, นิสงมากน้อยไม่เท่ากันก็อยู่ที่ว่าการปฏิบัติของบุคคล น, นั้นเป็นยังไงนะไล่มาตั้งแต่เรื่องศีลเรื่องอะไรต่างๆอย่างนี้นะค่ะแล้วต่อจากนั้นก็ยังมีคนมากล่าวหาพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการฝากสังคมพรนะพุทธเจ้าแก้ไข นะแก้ข้อกล่าวหานี้ด้วยการพูดถึงก้าฝากเนี่ยหมายถึงว่าไปดูดซับเขาอย่างเดียวเกาะเขากินนะไม่ทําประโยชน์ให้แต่พระเจ้าอธิบายให้ฟังในเรื่องของอนิสงส์ที่ได้จากการให้ทานพรนะเจ้าพูดถึงว่าระลึกมาใน9กกัปที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเข้าไปทําลายตระกูลใดเลยคือไม่มีตระกูลใดเสียหายจากการที่พระองค์ไปรับทานของเขานะไปรับเข้าสุ่ของเขามาเนี่ยคือไม่มีสกุลใดนะ คุณยมติวที่ให้จนกระทั่งหมดตัวไม่มีค่ะแต่เหตุปัจจัยที่ทำให้สกุลสูญสลายไปเนี่ยคือหมดตัวได้เนี่ยมี8อย่างัน้นคือ 1. นึนะภัยจากพระราชานะทำให้สกุลเนี่ยล่มสลายไปได้เราเคยเจอมาแล้วในอดีตใช่มภัยจากโจรนะโจรบุกมานี่ฆ่าล้างตระกูลก็มีนะหรือภัยจากไฟอัคคีภัยก็มีนะอย่างที่4ี่คือภัยจากน้ำพัดพาไปได้ตระกูลทั้งตระกูลพ่อแม่ลูกหายไปหมดเลยก็มี นะภัยที่เกิดจากการทรัพที่ฝังไว้เคลื่อนที่ถูกขโมยไปก็มีนะหรืออย่างที่6กก็เกิดจากการที่าการบริหารไม่ดนะีบริหารไม่ดีเนี่ยทาให้ตระกูลถึงความขาดสูญได้คือผู้นั้นบริหารไม่ดีเองนะหรือว่า อ, อย่างที่เจ็ดเกิดจากการที่มีบุคคลเป็นแกะดำนะคู่รังการคือบุคคลไม่ดีนะลูกลูกชั่วบ้างอะไรชั่วบ้างเนี่ยเกิดขึ้นในตระกูลล้างผ่านซั์ ก็หมดได้ <Okay. S 1> หรืออย่างที่แปดเนี่ยเกิดจากความไม่เที่ยงนะก็ทําให้ตระกูลเนี่ยซูญหายไปได้แต่ไม่มีตระกูลไหนในะคุณโยมติวที่สูญหายไปเพราะการให้ <Okay. S 1> ใช่ไหมอ่ า, าให้เนี่ยจับได้อย่างนี้เลยคะ่ะไม่มีตระกูลไหนที่ซูญหายไปเพราะการให้ถูกต้องไม่มีทรัพในตระกูลใดเนี่ยที่ซูญไปเพราะการให้ทานเนี่ยไม่มีค่ะ <Okay. S 1> อมีแต่จะเป็นตระกูลที่มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีปกษัตริย์มากมีทองและเงินมากเพราะการให้ค่ะอ่า แต่ที่สูญสลายไปเพราะบริหารไม่ดีตัวเองบริหารไม่ดีเองเข้าใจไหมอ่บริหารไม่ดีเนี่ยก็คือพรุทธเจ้าเคยสอนเรื่องการให้เอาไว้นะต้องแบ่งจ่ายทรัพย์ในสีลักษณะใช่ไหมเลี้ยงตัวเองก่อนนะเลี้ยงดูครอบครัวก่อนนะอันดับที่สองนี่ก็รักษาเอาไว้ต่างๆนานานานะจนกระทั่งสุดท้ายเลยถึงให้ทานนะข้อที่สี่เพราะฉะนั้นถ้าเราทําตามลําดับนี้แล้วเนี่ยชื่อว่าบริหารดีแล้วก็จะไม่สูญสูญสลายไปเพราะกันให้ได้ค่ะ อันนี้ก็คือเรื่องของพุทธประวัติเนาะค่ะ no. <Okay. S 1> ต่อมาเรื่องของรลสสัสีเรื่องของรสสัตสีนี่เมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของเศรษบุคคลเอเศรบุคคลแล้วก็ปุถุชนใช่ัหมค่ะ <Okay. S 1> เราก็มาดูในรายละเอียดว่าถ้ามันต่างกันยังไงในเรื่องของการปฏิบัติพรชุทธเจ้าก็ใหเ้เขาเรียกว่าแนวทางอา้อยู่สามอย่างง่า ย, ายคือพูดถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาค่ะ <Okay. S 1> แต่ถ้าคุณมีศีล นะแบบที่เป็นของพระอาเศคานะมีสมาธิแบบของพระอเศคามีปัญญาแบบของพระอาเศคาคุณจะเป็นพระอาเศขะได้นะคือเป็นพระอรหันต์ได้ว่ากันเถอะหรือถ้าคุณมีศีลสมาธิปัญญาในะแบบขั้นธรรมดานะไม่ใช่พระเศขะก็จะได้ระดับนั้นเพราะ น, นนี่คือแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของธรรมะนะคือเพราะว่าศีล ส, สมาธิปัญญานี่เป็นมัคใช่ไหมเป็นมัคที่จะทําให้ไปสู่ความดับไม่เหลือของทุกข์ ซึ ต, ต่อไปเนี่ยก็จะเจอตรงจุดที่ว่าถ้าใครทําศีลให้บริบูรณ์ทำได้พอประมาณในสมาธิทําได้พอประมาณในปัญญาเนี่ยก็จะได้เป็นอริยบุคคลแต่ละขั้นละขั้นไม่เท่ากันพูดถึงความเป็นเสกขะกับอัเสขะอีกนิดหนึ่งว่ายังมีความแตกต่างกันอยู่ในเรื่องขององค์มรคนะองค์มรคทั้งแปดพระพุทธเจ้าก็เคยแยกแยะพูดถึงสมาทิฏิสัมมาสังกัปะอะไรไปจนกระทั่งครบแปดอย่างก็มีนะน แล้วก็การปฏิบัติแต่ละอย่างเนี่ยแม้กระทั่งศีลเนี่ยคนทำได้น้อยก็จะได้ผลน้อยคนทำได้มากก็จะได้ผลมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าให้ผลทุกอย่างนะไม่มีการที่ไม่ให้ผลเลยสําหรับอริยบุคคลแต่ละขั้นค่ะอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องอริยะสัตว์สี่ในตอนดับบุคคลที่ดับทุกได้นะค่ะก็เท่ากับว่าทั้งสองเรื่องนี้ในวันนี้มีเท่านี้หรือไงคะใช่ใช่ นะครับเพราะว่าจะกลับเรียนถามท่านเรื่องอื่นแล้วก็แหมมันเรื่องทันเหตุการณ์พอดีเลยวันนี้หลายคนยังขวัญไม่ค่อยดีนะครับเป็นวันสุดท้ายของการรับราชการแล้วใช่กเกษียอายุราชการค่ะโอกาสว่างมาแล้ว <c oughs> โอกาสว่างมาแล้วเนื้อมันเหมือนกับว่าตื่นเช้ามาเราไม่ต้องไปหาใครอีกไม่ต้องมีใครมาจิกหัวใช้เราโทรศัพท์เราไม่ต้องรับก็ได้นะเราก็ต้องไม่ไม่ต้องมาคอยสั่งงานคนนั้นคนนี้เป็นโอกาสว่าง พระชาพูดถึงโอกาสว่างอย่างนี้มีอยู่ในบุคคลสองประเภทคือบุคคลแรกคือพระสงฆ์นี่เองเป็นโอกาสว่างนะเขาเรียกว่าละทางโลกทางเรือนออกมาแล้วนะ <Okay. S 2> ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรื อ, อนในอันที่หนึ่งหรือบุคคลที่2ก็คือเป็นบุคคลที่ปล่อยวางละฉันไม่สนเรื่องภายนอกอย่างบางทีเราบางคนอย่างผู้ที่มาหลีกเล่นที่วัดป่าตระหนี่โอย่างเงี้ยลามา7วันสิวันอย่างนี้ใช่ไหม เขาลามาเนี่ยในช่วงเจ็ดวันสิบวันเนี่ยเป็นโอกาสว่างของเขาในการที่จะปฏิบัติให้เต็มที่ค่ะเ อ, อเหมือนบางคนทํางานมาเหนื่อยทั้งปีใช่ไหมปีนี้ฉันจะขอลาสักห้าวันไปเที่ยวนะไปเที่ยวนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไปเล่นอะไรที่มันโลภผลโจรทยานนะแต่อยากจะไปอยู่สบายๆนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นโอกาสว่างนะคุณโยมติวในการที่จะให้มีความว่างสบายใจโอกาสว่างมาแล้วันอืม อ๋อค่ะก็เท่ากับว่าท่านกำลังจะบอกท่านที่กเกษียณแล้วมีความรู้สึกว่าวัดหวัดวันวันโ<ๆ>งงโงงเวงเวงว่าขอให้รู้ว่านั่นเป็นโชคดีของท่านเพราะ<ช>โอกาสว่างเดินทางมาถึงแล้วอะจะได้มีโอกาสในการที่จะเข้าถึงธรรมถ้าอาจารย์คะทีนี้บางคนเนี่ยก็อาจจะบอกโอ๊ยก็อยากรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทํางานเก็บเงินมาเยอะไม่ไม่ใช่เรื่องเหงาอย่างเดียวนะคะบางคนเนี่ยเหงาเนี่ย เป็นเงินเยอะแต่ในขณะเดียวกันบางคนน่าสงสารนะคะคืออาจจะอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ที่ไม่ได้ใหญ่โตมาก่อนเก็บสะสมเงินทองไม่ได้วันใจนะอะไรในเรื่องของความที่่ า, างคนไไม่พอป่วยอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นข้าราชการแตโชคดีไปบ้านที่ว่ามีตำแหน่งบำนาญมีเงินในการที่จะพอใช้ใ ช, ใช้แต่น้อยก็พอแต่บางคน แม้แต่มีนะคะก็ยังหวั่นใจไม่ได้มาก่อนเคยหาเองตอนนี้มันตีบตันไปหมดอื ม, อ ม, อมก็ต้องผู้เชี่ยวเคยพูดถึงความลําบากในข้อนี้เอาไว้นนในคราวที่จะมีการขัดสนเรื่องเข้ายาปลาปิ้งนะพวกเนี้มีเพราะฉะนั้นก็จึงให้เร่งความเพียรในการที่ว่าเมื่อภัยนั้นมาถึงตัวแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่มีความผาสุกอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นในเมื่อโอกาสบ้างก็มาภัยก็ใกล้เข้ามาใช่ไหม เพราะเราจึงต้องใช้โอกาสนี้ในการที่ทำความเปลี่ยนเพื่อที่พอถึงเวลานั้นมาเนี่ยเรายังสบายใจอยู่ค่ะท่านครับนนนรเรื่ออีกอย่างหนึงนะคะอ่าในกรณีที่เคยเป็นคนมีอำนาจค่ะอฮแล้วตําแหน่งที่มันหายไปเนี่ยอำนาจา ม, ามันก็ขาดหายหมดเล ย, เลยนะใช่ตอนแรกๆนี้จะต้องมีคนมาห้อมล้อมหน้าล้อมหลังท่านต้องการอะไรขับรถไปส่งพอวันถัดไปนี่โบหมดเลยอะไรที่ไม่มีที่เขายึดเรากลับไปหมดเลย ให้เห็นเลยความไม่เที่ยงโอ้โหดีมากๆเห็นอยู่กับตัวเลยเนี่ยค่ะแต่ถ้าเราคือบางคนมันไม่เห็นนะเพราะว่าความยึดใช่ไหมที่คุณยึดที่คุณไม่เห็นเนี่ยเพราะคุณจิตไม่มีสมาธิไม่มีกําลัง<น>จิตไม่มีกําลังไม่มีความเป็นหนึ่งเนี่ยมันเจออะไรมันก็ยึดไปหมดมันก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นจึงเป็นจุดที่เราจะต้องให้เห็นความไม่เที่ยงในสัจธรรมแห่งชีวิตเลยอะ่ะมีอํานาจใหญ่โตถึงเพียงนี้ใช่ไหมพอมาถึงจุดที่ต้องสละนี่มัน ความตายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคุณโยมติวตองให้มีหมอเก่งที่สุดในโลกยาที่ดีที่สุดในโลกโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกมาห้อมร้อมเรานะหรือว่าจะมีอ่า security การ r d ที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยความตายก็ยัง เ, าเอาไปได้ยังเอาเรัไปได้ห้ามไม่ได้นะอ่าโอกาสนี้เป็นแค่เตือนเฉยๆนะความตายเราอยู่ความเจ็บไข้ก็รออยู่นะพะนั้นจริงต้องรีบปฏิบัติเลยอแล้ววันเนี้ยเป็นไปได้ไหมคบเป็นเพราะว่าคนเรากลัวในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึง ถ่าหว่าได้ใช้โอกาสว่างตามทางแห่งธรรมะจริงๆแล้วจะได้พบว่ามันดีกว่าเป็นไปได้ไหมคะหรือเสมอๆกันอย่างเงี้ยมีคนที่เคยกเกษียณอายุเนี่ยแล้วเข้ามาหาธรรมาเข้ามาคุยว่าเนี่ยคงเป็นเพราะว่าบางคนเนี่ยกเกษียณไปนะสองสามปีตายคแล้วก็ไมเพราะไม่มีอะไรทําไม่ออกไปสูงสิงก็แค่อยู่บ้านเฉยๆมันก็เหี่ยวเาวตายอ่าแล้วก็ไม่มีกําลังจิตไม่มีกําลังใจจะอยู่ต่อก็เลยเสียชีวิตไปง่ายๆอายุหกสิบาอย่างเงี้ยตายก็มี ทั้งนั้นเราต้องมาเปรียบเทียบกับพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ยังหนุ่มอย่างเงี้ยยังอายุอยู่ในปฐมวัยมาบวชไม่ได้คุยกับใครมากเลยนะในรรษาเนี้ยหลีกเล้นอยู่แต่ผู้เดียวบ า, บางรูปนี่ไม่พูดกันเลยเอ๊ะทำไมผิวพรรณเปล่งปลัง่งทำไมมีน้ํามีนุ่เหมือนเพราะว่าท่านนั่งสมาธิไงค่ะเพือนถ้าเราอยู่บ้านไม่ยุ่งกับใครเนี่ยดีมากแต่คุณทําให้ถูกไงโดยการทําจิตให้ถูกอย่าไปจิตไปยึดติดหรือว่าทําให้ตัวเองเครียดปเปลาแล้วก็ไม่มีที่ระบายทําไม่ถูกไง อ่เป็านถ้าเราทำถูกปฏิบัติถูกฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ศึกษาเรื่องอริยสัจสีใช่ไหมอยู่คนเดียวโอกาสว่างเนี่ยมาถึงแล้วใช้โอกาสเนี้ให้ดีให้เต็มที่ทำจิตให้ถูกเราจะไปได้ฉลุยเลยอะอืมค่ะแล้วนี่เท่ากับเป็นการขอบคุณตัวเองที่ตรากตรมทำงานหนักมาเป็นระยะเวลานานก็ ว, ว่าได้นะคะของขวัญมาถึงแล้วเวลามาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลาย ที่จะต้องเกษียณอายุกันในวันนี้นะคะขอให้ท่านได้มีอีกแง่มุมหนึ่งไปประกอบการคิดเผื่อยังคิดมาไม่ถึงตรงนี้นะคะว่ามีโอกาสว่างที่สำคัญคอยท่านอยู่ค่ะก็ขอใหอ้ทุกท่านได้มีโอกาสได้เข้าถึงโอกาสว่างนี้กันทุกๆคนวันนี้ก็ต้องนมัส ก, การขอบพระคุณพระอาจารย์เ์บุญอภิปุนโนนะคะอาจารย์เรนพร รวมไปถึงกราบนมรส ก, การหลวงพ่อดออรสะอาดท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนายโซจงังหวัดอุดรธานีที่ท่านไทยบูรนได้จำพรรษายอยู่ที่นั่นด้วยค่ะสำหรัฝั่งที่เครารพค่ะสำหรับท่านไทยบูณ์ท่านทํารายการวิทยุในเวลาเดียวกันนี้ทุกวันเลยเพียงแต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์ปุ๊บจะไปเป็นที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะส่วนดิฉันกับพระม้าชาควโรนะคะจะหยุดพักที่นี่ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์สําหรับการทํารายการนะคะ เพื่อที่จะมาพบกับท่านใหม่ในวันจันทร์ที่ถึงนี้ค่ะก็ขอให้ท่านทั้งหลายนะคะได้ทบทวนสิ่งที่ท่านได้รับไปในระหว่างสัปดาห์จากรายการสัมมนนทนาหรือท่านจะมาขอหนังสือพุทธวจนะนะคะที่2 0 2 2 9 0 0 0 6ไปเพื่อเอาไว้ทบทวนในสัปดาห์ถัดๆไปก็ส่งกันมานะคะต้องกราบนมส ก, การขอบพระคุณพระอาจารย์ คืคริปโสติพโลท่านเจ้าวาดวนาปะพงลำลูกกาคลองสิบด้วยที่เมตตาให้นัหนังสือพวกเรามาโดยตลอดค่ะเราก็จะมาพบกับท่านใหม่ในวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้พุทธวสวสดีค่ะ